มหาวิทยาลัยครั้งพุทธกาลคือป่าเขาถ้ำเงื้อมผาข่้นสนทนากันมีแต่อัดและทำล้วนๆไม่มีการบ้านการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องทามีคุณค่ามากเหนือสิ่งใดๆในโลกพระองค์ทรงเป็นคติตัวอย่างได้อย่างดีเลิศทุกๆุกกพระอาการเรื่อยมา เทศอสุภะกิเลสคือตัวจอมปลอมหลอกลวงด้านนี้เข้มข้นมากดีมากทำเครื่องแก้เป็นของจริงเต็มส่วนพูดเวทนาทั้งสามอย่างละเอียดเรียนจบปริญญาเอกเอกจิตเอกธรรมไม่ใช่เอกมีในตาข้างเดียวเหมือนพวกเรา เอาให้จริงกิเลสสิ้นไปหมดแล้วจิตจะย้อนมาเสียดายกิเลสตัวใดใหม่ฟังและอัดได้สำหรับนักปฏิบัติสถานที่บำเพ็ญในครั่งพุทธการถ้าจะเทียบ มหาวิทยาลัยสงอยังในปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยของท่านคือที่ป่าที่เขาในถ้งเมืออผาล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่สงบ ปราศจากการปุกปัานวุ่นวายกับสิ่งก่อกวนต่างๆเป็นสถานที่ให้ความวิเวส ท, ทางกายและเป็นเครื่องหนุนความวิเวส ท, ทางใจได้เป็นอย่างดีทุกๆสถานที่ไป นักศึกษาในครั้งพุทธกาลที่เข้าสู่มหาวิทยาลัยเช่นนั้นเป็นผู้พร้อมทุกอย่างศรัทธาก็พร้อมวิริยะคือความภาคเพียรก็พร้อมสติ ก็พร้อมสมาธิก็เตรียมพร้อมปัญญาก็กกงกลืนกันไปนี่เรียกว่าภาะหา้าหลักวิชาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้บำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้น ก็คือการ32นี่เป็นหลักวิชาอันใหญ่โตมากที่พระผู้มารับการอบรมศึกษาได้รับไปประพฤตปฏิบัติจากพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสตราจารย์องค์เลิศ การปฏิบัติทุกแง่ทุกมุมความเคลื่อนไหวในาการต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นท่าของนักรบทั้งนั้นเพื่อให้จบพรมจันร์หรือความสิ้นจุดบิมุตพรนิพพานสังหารกิเลสให้ขาดลอยไปจากจิตใจกลายเป็นผู้สำเร็จปริญญาเอกขึ้นมาปริญญาเอกครั้งนั้นได้จากความสำเร็จ พรรหัตตบุคลปัญญาตรีปัญญาโทก็ได้แก่พระโซดาพริตาคาอนาคาคาเปรียะเอกได้แก่พ ร, ระพระรหาตัตตบุคคลผู้สำเร็จปัญญาเอกแล้วเป็นผู้เรียนจบแล้วมามหาวิทยาลัย ไม่มีคำํำว่าประกาศในนิวรันต์สันทิฏฐิโกเป็นใบประกาศของท่านแต่ละองค์ละองค์คือความรู้เองเห็นเองจากการปฏิบัติของตนที่ได้ศึกษามาด้วยดีแล้วจากพระพุทธเจ้าเพราะคําว่าสันทิฏฐิโกพระองค์ทรงมอบไว้กับผู้ปฏิบัติทุกๆ ก, กรายไปไม่ทรงผูกขาด ให้ผู้นั้นเป็นผู้รู้ผู้เห็นและดืนยันความจริงขึ้นมาจากตนเองเพราะความจริงมีอยู่กับทุกคนนอกจา ก, กจิตที่ยังปลอมอยู่ด้วยกิเลสเครื่องจอมปลอมทั้งหลายเท่านั้นจึงไม่สามารถจะทราบความจริงซึ่งมีอยู่กับตนได้ทั้งส่วนอยากส่วนกลางส่วนละเอียดไม่มีใคร มาให้ใบรับรองสันทิฏฐิกะทมเป็นเครื่องรับรองอยู่ประจับใจหรือปัจจันตปัจจัตเวดิกะ บ, บวินยูหิท่านผู้รู้ทั้งหลายผู้รู้จำพอตนด้วยการปฏิบัติของตนนีเป็นใบประกาศของท่านที่ทรงค้นคว้าเอ้สอบแสวงหาเอง ด้วยความชอบธรรมได้แก่สุปฏิบันโนอุทุญาญาสามิจิปฏิปันโนผลที่ตกออกจากการปฏิบัตินี้ก็ได้แก่อริยะบุคคลยิอโสดาสกิทาอนาคาอรหัตตบุคคลท่านเรียนท่านเรียนอย่างนั้น เรียนเพื่อประพฤติปฏิบัติหาสถานที่เหมาะสมเป็นที่ฝึกหัดอบรมเรียนเพื่อความรู้เพื่อความเข้าใจในสัจจะธรรมคือความจริงทั้งหลายทั้งฝ่ายสมุทยทุกทั้งฝ่ายนิโรธมักให้แจ้งกระจัดขับใจตัวเองเพราะสัจจะธรรมทั้งสี่นี้ มีอยู่ด้วยกันทุกคนไม่ได้นอกเหนือไปจากกายกับใจนี่เลยท่านจริงเป็นสังฆโสพนาเป็นความงามแห่งสงฆ์ที่บริสุทธิ์ล้วนวนด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริงธรรมที่ท่านได้บรรลุทั้งหลายเหล่านั้น ก็เป็นธรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติใจเท่านั้นเป็นผู้ที่จะรับสัมผัสสัมพันธ์ธรรมทั้งหลายทุกขั้นทุกขูมไปจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดไม่มอีอวัยวะส่วนใดในร่างกายของเราที่จะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมทุกๆขั้นไปได้และ อย่างชัดเจนเหมือนใจใจจริงเป็นสิ่งสำคัญมากที่ต้องได้รับการศึกษาอบรมด้วยดีเพื่อความสัมผัสธรรมด้วยการปฏิบัติอันถูกต้องดีงามของตนครั้งพุทธการท่านดำเนินอย่างนั้นเมื่อเข้าสมาคมกันมีแต่เรื่องอัดเรื่องธรรมเรื่องข้อวัดปฏิบัติ สถานที่เป็นที่บำเพ็ญว่ามาจากป่าไหนเขาลูกไหนถ้ำใดเง้่มผาใดไปอยู่สถานที่เช่นนั้นการบำเพ็ญเป็นอย่างไรจิตใจได้รับความสงบได้รับความแยบขายมีความรู้ความฉลาดอย่างไรบ้างผู้ใดได้รู้ทำในแง่ใดขั้นใดภูมิใด นำอัตธรรมแง่ต่างๆซึ่งตนรูต้ตนเห็นมาสัมโมทิยคถาซึ่งกันแกันให้เป็นเครื่องรื่นหนึน่งไม่มีคําว่าการบ้านการเงินการได้การเสียการซื้อการขายเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องรักเรื่องชอบเรื่องการนั่นจิตนี้อันเป็นเรื่องของโลกท่านไม่นําเข้ามาเกี่ยวข้อง ร, ราวกับว่า อยู่คนละโลกทั้งๆ ท, ที่ท่านก็อาศัยอยู่ในโลกมนุษย์เราด้วยกันกับโลกทั้งหลายนั่นแหละแต่จิตใจและความประพฤติปฏิบัติของท่านหมุนปนธรรมล้วนูวนกิยาที่แสดงออกยิงแสดงออกจากด้วยความเป็นธรรมทั้งนั้นไม่มีสิ่งปลอมแปลงทั้งหลายเข่าที่เแฝงเลย นี่สาระของพวกเราท่านดำเนินอย่างนี้พระพุทธเจ้าเราก็เคยเห็นพราประวัติของท่านมาด้วยดีด้วยกันจะว่าทุกองแล้วก็ได้เพราะต่างองก็ได้ศึกษามาดกันแล้วทั้งนั้นเราสังเกตตามการดำเนินของพระองค์ แม้จะไม่มีครูมีอาจารย์แนะนำคร่ำสอนแต่วิธีการนำเนินของท่านนั้นเป็นสรณะของพวกเราได้อย่างสมบุรณในความสลักทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นความสุขของโลกที่พระองค์ก็เป็นพระองค์หนึ่งเนื่องจากเป็นกษัตริย์จะต้องได้ครอบครองความสุขเหล่านี้ เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้บริษัทบริวารสมบัติเงินทองเข้าของไฟฟ้าประชาชีมากน้อยอยู่ในราชอาณาจักรของพทะองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่โลกปรารถนากันทั้งนั้นแต่พระองค์ทำไมจงึงจึงทรงเสียสละ ได้โดนเหมือนอย่างว่าไม่มีความอะไรเสียดายเพราะความมุ่งมั่นในพระไทยนั้นหนักแน่นในธรรมทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งความพ้นทุกข์และความเป็นศาสดาของโลกเต็มในพระไทยสิ่งเราทั้งหลายเหล่านั้น จึงไม่มีน้ำหนักมากยิ่งกว่าความมุ่งมั่นของโงคที่จะให้สำเร็จตามพระประสงค์อันนี้เป็นต้นเหตุที่จะให้ทรงเสียสะทุกสิ่งทุกอย่างออกไปแม้จะมีคุณค่าตามโลกสมมติเดียวก็ถามแต่ก็ยังถ้าเทียบกับธรรมแล้วสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าน้อยนิดเดียวไม่เป็น สิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลดังทำที่ได้ปรับสรุและความเป็นศาสตราสอนโลกเพื่อประโยชน์แก่โลกอย่างมากมายนั่นเลยเองได้ตัดพระไทยออกไปการออกไปของพระองค์นั้นมีความลำบากยากเย็นเสี่ยใจอย่างยิ่งไม่มีใครเสมอและไม่ไม่มีใครเหมือนไม่มีใครเทียบไม่มีใครเป็น ผู้แข่งพระองค์ได้ในการเสียสละก็ดีการประกอบความภาคเพียรก็ดีความทุกข์ยากความลําบากในความเป็นอดุใช้สอยต่างๆก็ดีมีแต่ความทุกข์บีบคั้นทั้งนั้นหาความสะดวกสบายไม่ได้เพราะความเป็นกษัตริย์ทรงเสียสละพระองค์ ลงมาสู่ความเป็นคนอนาถาฮ ะ, สะเสวยจากชาวบ้านทำธรรมดาทั่วไปซึ่งแต่ก่อนพระองค์ไม่ทรงเคยพบเคยเห็นเลยแต่ก็ได้ทรงพบทรงเห็นในขณะที่ทรงเสียสละจากราชสมบัตินั้นออกไปความทุกข์ในการประกอบความภาคยยนพระองค์ก็ไม่เคยได้รับความทุกข์เช่น น, นั้น ความเป็นอยู่ปูวายทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ไม่เคยมาก่อนพระหนึ่งว่าสวรรค์นมนุษย์ของมนุษย์พระองค์อยู่ในแดนแห่งสวรรค์นมนุษย์มาแล้วตั้งแต่วันประสุตจนกระทั่งวันเสด็จออกทรงประหนวดแล้วจงตกนรกทั้งเป็นในแดนมนุษย์แห่งความเป็นมนุษย์ก็ขณะที่พระองค์ทรงเสียสลจากปราสาท บริษัทบริวารออกไปสู่ที่ท้งโลกเขาก็เรียกว่าสถานที่ดัดสันดานแปลความจริงพระองค์เพื่อประดัดสันดานที่เหล็ต่างหความทุกข์ความทรมานทั้งหลายรวมลงในพระสิทธัฐาราชกุ ม, มารซึ่งยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าขณะนั้นทั้งสิ้นแล้วการประกอบความภาคเพียรก็ เกียรติกายเต็มพระทัติกำลังความสามารถท่านาสลบเฉลียไปถึงสามครั้งทุกมากน้อยเพียงไรเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นคติตัวอย่างได้เป็นอย่างดีสมความเป็นจากสดาตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกที่เสด็จออกทรงผนวดและบำเพ็ญตลอดมาจนกระทั่งถึงในตรัสรู้และประทานพระโอวาท สั่งสอนบรรดาศัตด์ด้วยมาเป็นศาสดามาโดยลำดับลำดาควรยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ควรยึดเป็นคติตัวอย่างได้อย่างถึงใจไม่มีข้อสงสัยแม้แง่ใดแง่หนึ่ง เ, เ, เ, เลยอันเรื่องที่พระองค์ทรงบำเพ็ญผิดพลาดไปบ้างนั้น <c oughs> เป็นธรรมดาของผู้ไม่มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนโดยทางที่ถูกต้องให้ราบรื่นดีงาม ก็จำต้องผิดพลาดข่าเคลื่อนเป็นธรรมดาแต่พระวิยะคือความภาคเพียรและความอดทนทุกแง่ทุกมุมในการบําเพ็ญทั้งหลายนั้นยกให้เป็นคติตัวอย่างอันเลิศสำหรับชาวพูดทั้งหลายเหล่าจนกระทั่งได้ตรัสรู้มีความลําบากมากน้อยเพียงไร เราจรึงควรน้อมเอาเรื่องราวของพระองค์มาเป็นคติตัวอย่างเป็นเครื่องยึดต่อการตร่อพฤ้นปฏิบัติของเราเพื่อเป็นกําลังใจในการบำเพ็ญ น, นี่บรรดาสาวกก็ไม่ต้องกล่าวถึงบางองค์ก็ลำบากลำบนเช่นเดียวกันเพราะเคยเป็นประศัตร์มาด้วยกันมีมากมาย และเป็นลำดับกำดาเมื่อสรุปลงแล้วไม่ว่าจะมาออกออกมาจากชาตชั้นวันณะใดต้องแบกหามกิเลสมาเป็นหัวใจด้วยกันกิเลสมีอยู่ในหัวใจใดจะไม่ยังหัวใจนั้นให้มีความสุขความสบายเป็นอิสระเสรีได้เลยจะต้องบีบ บ, บังคับทรมานจิตใจให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่เรื่อยมาและการประกอบความภาพเพียรเพื่อแก้ไขเพื่อถอดถอนสิ่งที่เหนียวแน่นแก่นของวัตตะวลนี้ให้ออกจากใจตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกถึงขั้นถึงที่สุดจุดหมายปลายทางนั้นแต่และองค์ละองค์นั้นจะมีความยากความลาบากเพียงไร ให้พึงทราบว่ากิเลสไม่มีกิเลสตัวใดที่จะเปราะเปราะเปะเปะเปะหักง่ายๆ่ายฟันง่ายๆขาดง่ายๆมีแต่ตัวที่เหนียวแน่นมั่นคงตัวเฉลียวฉลาดตัวละเอียดละออกรอมมนุษย์กล่อมสัดโลกให้เคลิมหลับไม่มีวันตื่นได้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นการที่จะแก้กิเลส ซึ่งเป็นธรรมชาติอ้อยอิ่นสําหรับสัตว์ผู้โง่เขลาทั้งหลายนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากเรื่องที่ลําบากมากมายนี่เราประมวลเข้ามาพิจารณาอย่างนี้ในบรรดาสาวกทั้งหลายเราอยากเข้าใจว่าหัวใจเราดวงนี้กับกิเลสที่ฝังใจเหล่านี้เป็นสิ่งที่แก้ยากเพียงเราคนเดียวแก้ยากมาด้วยกันทั้งนั้นต้อง สุดฝีมือเต็มสติกำลังความสามารถถึงขนาดสะละเลือดเนื้อชีวิตจิตใจต่อการต่อสู้กับพิเดสนี้มีจำนวนไม่น้อยในบรรดาภาษาวกนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาองรงสลบถึงสามครั้งนั่นชื่อว่าการเสียสะลัหากจะตายไปเลยพระองค์ก็ยอบจะไม่เรียกว่าเสียสะละยังไง ให้เราคิดอย่างนี้ในการพูิปฏิบัติจิตใจจะได้มีความห้าวหาญมีกำลังต่อในการต่อสู้ว่าพระพุทธเจ้าก็ดีภาษาวกทั้งหลายที่เป็นสาญะของพวกเรานี่ก็ดีไม่ใช่ท่านที่ล้างมือเปิดมาเลยแต่ท่านผู้ที่เป็นเดนตายมาด้วยกันแทบทั้งนั้นหรือจะพูดว่า เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ผิดในบรรดาที่ได้รับความลำบากละบนมาแล้วส่วนสองเปอร์เซ็นตนั้นก็ยกให้พวกคิด ป, ปาปิญญาสุขาปฏิปทาคิด ป, ปาปิญญาคือปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้ได้เร็วอันนี้มีจำนวน น, น้อยมากแต่จำนวนที่ถูถ่ติ้งไปติ้งมา ตะเกียบตะกายหกรวมก้มกราบนี้มีจำนวนมากเช่นเร า, เราทันท่า น, นี้เพราะกิเลสเป็นตัวสำคัญปิ้งไปปิ้งมาก็คือวิธีการอันหนึ่งที่ต่อสู้กับกิเลสแทบสลบทะลัยนี่ก็เป็นวิธีการอันหนึ่งที่ต่อสู้กับกิเลสทุกยากลําบากในการประกอบความเพียรท่าใดก็ต่าง เป็นความทุกข์แต่และอย่างลอย่างที่เกิดจากการต่อสู้กับกิเลสทั้งหมดทําไมจะไม่ทุกขต้องทุกข์เพราะกิเลสนี้มีแต่ตัวเหนียวแน่นมั่นคงตัวฉลาดละเอียดละออสุขขุมมากในสามโลกธาตุนี้ไม่มีอันใดเกินความเกินกิเลสที่มีความสุขขุมมากถ้าเป็นเหยื่อก็เป็นเหยื่อที่สัตว์ตายใจอย่างสนิท ไม่ทราบว่าเหยื่อล่อเลยเข้าใจว่าเป็นโอชารถซึ่งไม่เคยได้รับได้พบได้เห็นตั้งแต่วันเกิดมาเมื่อเจอเขาแล้วทำไมจะไม่งับเอางับเอาเอ๊ะทาไมและทำไมเบ็ดจะไม่ติดเอาติดเอาเพราะเหยื่อล่อก็ล่อเพื่อให้ติดเบ็ดที่เร็ดล่อสัตว์ทั้งหลายก็เพื่อให้ติดอยู่ในกองถูกนี่มันเป็นเหมือนเบ็ด การที่จะแก้กิเลสจึงต้องใช้อุบายวิธีต่างๆพร้อมทั้งกำลังบังชาความอุตสาห์พยายามนอกจากอุบายของสติปัญญาแล้วยังต้องอาศัยพลังคือกำลังแห่งความภาคเพียรกำลังแห่งความอดทนกำลังแห่งความอุตสาห์พยายามเบิกบืนกันไปเครื่องมือก็ใช้ไปเรื่อยๆสติปัญญานั้นเป็นเครื่องมืออันสาคัญ เราจะใายแบบนิสัยเดิมซึ่งเคยมีมาแต่คราวาตจะนํามาใช้แก้กิเลสปัญหาสภาวะในเพศของพระในกิริยาของพระในอาการของพระแล้วไม่จะไม่มีกิเลสตัวใดหลุดลอยเพราะนิสัยนั้นเป็นนิสัยของกิเลสเป็นเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงไม่ใช่เรื่องของธรรม ความมักง่ายความสุขเอาเผาสิ่ง น, นี้เป็นนิสัยของกิเลสทั้งหมวลความเบื่อต่อความท่าเพี้ยนความเฉลีหลาบต่อความทุกข์ในการประกอบความดีด้วยแล้วท่านเป็นกลอุบายของกิเลสทั้งหมวลความหนักก็เอาเบาก็สู้เพราะได้เชื่อแล้วว่ากิเลสนี้เคยทำคํำพิษละมาเป็นเวลานานและท่านผู้รู้คือปราศดาตรง สอนไม่แล้วโดยถูกต้องแม่นยำมากิเลศเป็นภัยต่อสัตว์โลกเมื่อเชื่ออย่างนี้แล้วถึงเราจะยังไม่รู้ฤทธิ์ของมันด้วยตรีชาความสามารถของเราก็ตามแต่เราก็รู้ด้วยใจของปุชชนเรานี่แหละอาศัยจตนาความเชื่อต่อเท้าว่าของศาสดาสอนนั้นทำให้เกิดกำลังใจที่จะต่อสู้กับพิเลสมากขึ้นโดยลาดับ จนได้เห็นโทษของมันอย่างแท้จริงภายในจิตใจของตัวเองที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกและเห็นคุณค่าของธรรมในขณะเดอยู่กันที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกเหมือนกันเมื่อได้เห็นทั้งทั้งโทษทั้งคุณประจักษ์ใจตัวเองคือระหว่างกิเลส ก, กับธรรมมีโทษและมีคุณต่างกันอย่างไรบ้างแล้วเรื่องความภาคเพียรหนุนกันมาเองเพราะความเชื่อที่เกิดจากความเห็นประจักษ์ ใจเป็นสิ่งที่มีกําลังมากและจะหมุนกันมาเป็นลูกโซ่ความอดความทนความอุตสาห์พยายามทุกแง่ทุกมุมไม่ต้องบังคับหมุนไปเองถ้าความเห็นโทษและความเห็นคุณประจักษ์กับใจนั้นเป็นสิ่งที่มีกําลังมากถึงขนาดที่สละชีวิตจิตใจเพื่อความภาคเูมิใจเพื่อการต่อสู้เพื่อการถอดถอนจิตเดชที่เป็นตัวภยัยนั้นได้โดยไม่ต้องสงสัยเนี้อหลักของการปฏิบัติ อย่างไรอย่าอย่าลืมหลักของศาสดาที่ทรงาพาดําเนินมาตลอดสถานที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆพระองค์และสาวกมีความพุ่งเฟ้อเหอเ ห, เหมมิมกับสิ่งใดบ้างไม่มีสิ่งใดที่จะแซงพระองค์และสาวกทั้งหลายแต่ได้บรรดาโลกามิถือเพียงอะเป็นเครื่องอาศัยชั่วการชั่วระยะเวลาเท่านั้นไม่ถือสิ่งเหล่านี้เป็น อุปสรรคขัดข้องหรือมากรีดขวางต่ อ, อ ค, ความภาคความเปลี่ยนโดยเห็นว่าสิ่งนั้นบกพร่องสิ่งนี้ไม่สะดวกสบายจตุปัจจัยทายทานที่โลกให้มานั้นไม่เพียงพอกับความต้องการเป็นเหตุให้ขาดความเพียรเพราะเครื่องอุดหนุนมไม่เพียงพออย่างนี้ไม่เคยมีในพระพุทธเจ้าและสาวกองใดที่งนี้ไม่ ขาดมักขาดตอนมีขึ้นมาโดยสม่ำเสมอหนุนกันไปโดยสม่ำเสมอเพือคือความภาคเพียรเพื่ออัดเพื่อทำของท่านท่านเพียรเพื่ออัดเพื่อทำพระเนพระเพีเพเยรเพื่อความคล่องแวดกับโลก ร, รมิ ด, ดไปเลนี่ศาสดาและสาวกท่านดำเนินอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงได้ระมัดระวังและแนะนําสั่งสอนให้อุบายหมู่เพื่อนอยู่เสมอเกี่ยวกับเรื่องเหล่านีน้จึงเป็นเรื่องเพียงอาศัยแต่กลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาสําหรับจิตที่โงขข่เขลา ปฏิบัติต่อสิเหล่านี้ไม่รอบคอบกลายเป็นข้าศิกเครื่องกีดขวางธรรมะของตนได้โดยไม่ต้องสงสัยเหมือนกันจึงต้องได้ระมัดระวังศาสนาท่านเดินอย่างนี้เราผู้เป็นลูกศิษย์ตาคตลูกศิษย์มีครูธรรมะออกมาจากคระพุธทธเจ้าที่สอนไวแล้วทุกแง่ทุกมุมเป็นสวุว ข, ขาระธรรมหาที่สงสัยไม่ได้แล้วนิยานเอกธรรมพร้อมที่จะรอรับอยู่เสมอ คือทำนี้เมื่อปฏิบัติแล้วเป็นเครื่องนำออกทั้งนั้นไม่ใช่เครื่องนำเข้านำออกจากความทุกข์ความรุ่งเรืองุ่นวายนำออกจากวัฏจักรซึ่งเหมือนคุกเหมือนตลางที่เราติกมันมากี่ขับขี่กันนับไม่ถ้วนปัจจุบันนี้จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เพราะเหตุแห่งชื่อคือกิเลสนั่นแหละเป็นสาเหตุเป็นตัวการที่พาให้ติดคุกติดตราง เราอยู่ตากอำนาจของที่เลยการอยู่จะไม่ได้อยู่ดังที่ว่านี่ก็ขอให้ได้อยู่อย่างสถานที่นี้ก็พอเป็นไปความเพียรเป็นสิ่งสำคัญอย่าลดละอย่ามีความท้อถอยอย่าละอา ละอาต่อความเพียรแล้วก็เท่าเท่ากับละอาต่อธรรมละอาต่อความสุกละอาต่อความหลุดพ้นจากบ่วงมานทั้งหลายเพราะความละอานี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมวลไม่ใช่เรื่องของธรรมความเป็นนักต่อสู้ความกล้าหาญความอดความทนความพินิจพิจารณานี่คือธรรม นำมาใช้จะเป็นเครื่องสังหารกิเลสสมกับว่าเป็นความเพียนแท้ถ้าไม่พิจารณาจริงๆ จ, จะไม่ทันคนมายาของกิเลสทั้งทั้งที่ปฏิบัติอยู่นั่นแหละมันสวมรอยไปโดยลำดับลำดาทุกอากัากบกิริยาที่แสดงออกมันเป็นผู้บงการให้แสดงออกมาโดยที่เราก็ไม่รู้ นี่จึงเรียกว่ามันแหลมคมในเมื่อสติปัญญาทางด้านธรรมะของเราทื่อมันต้องแหลมคมอย่างนั้นต่อเมื่อสติปัญญาของเราแหลมคมขึ้นไปเราก็เห็นกลุ่นอุบาตต่างๆเข้ามาแล้วสามารถแก้และถอดถอนกันต ไ, ได้โดยลำดับไม่นอกเหนือจากธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้ไปได้เลยในกล่าวเบื้องต้นว่า หลักวิชาในมหาวิทยาลัยมันคืออะไรอาการถามสิบสองนี่เป็นหลักใหญ่อาการสันสองคืออะไรผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหมักหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่เรียกว่าอาการสาิสอง ซึ่งเป็นหลักใหญ่ส่วนใหญ่ของหลักวิชาที่ผู้ปฏิบัติจะพึงขี้คลายให้เห็นละเอียดทั่วถึงในสิ่งเหล่านี้ที่กิเลสพาสมมุติให้เป็นไปตามความต้องการของมันมาเป็นเวลานานว่าเป็นศัว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชาย เป็นของสดสวยงดงามเป็นของกีรั ง, ย, งยั่งยืนเป็นของที่หน้าเพลิดเพลินลื่นเลยเหล่านี้เป็นความเสกสรรตั้นย อ, อของกิเลสทั้งหมวลการพิจารณาคขี่คลายอาการสามที่สองที่กิเลสได้ปักปันเขียดแดนเอาไวน้นี้ออกให้รู้ตามหลักความจริงของมันนั้นได้เกิดธรรมผู้พิจารณาเห็นแจ้งเห็นชัดตามหลักความจริงแต่จะพูดถึง ความเป็นอสุภะอสุพังร่างกายของเรานี้มันก็คือกองอสุภะกองมูดกองคูดของเราโดยดีหรือกองหรือซากผีดิบของแต่ละกองของแต่ละลายอยู่โดยดีนแต่พูดถึงความแปรแปรสภาพรอบตัวทุกอาการไม่มีอาการใดที่จะคงเส้นคงวาอยู่ได้ถูก ข, ขังบีบบังคับได้ทั้งนั้น ทัวสารพัรนธุ์ร่างกายสกุลกายบีบบังคับตัวเราให้รับความทุกข์ความลำบกทั้งหมดอนัตตาจะถือเป็นเราเป็นของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลตามแท้จริงหรือตามความเสกสรรของสมมุติอย่างกิเลสปั้นย่อเอาไว้ได้อย่างไรเพราะกิเลสเป็นตัวจอมปลอมของจริงตรงไหนจริงกิเลส จ, จะเสกสรรปั้นย่อขึ้นมาใหม่ ให้กลายเป็นของปลอมไปเสียทั้งสิน้นเราที่มีกิเลสครอบงำจึงต้องเชื่อความจำปลอมข้องงไม่เชื่อธรรมเชื่อธรรมได้ยากด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยการขุดค้นการพินิจพิจารณาตามหลักธรรมให้เข้าสู่ความจริงนับตั้งแต่อาุภาอาุพัง หมดทั้งเนื้อทั้งตัวเบื้องบนเบื้องล่างข้างในข้างนอกไม่มีเว้นว่าไม่มีอสุภอสุพังปฏิกูลโสโครกไม่แทรกอยู่ไม่มีเลยมีเต็มไปหมดด้วยของปฏิกูลโสโครกให้เห็นชัดเจนอย่างนั้นคำว่าสัตว์ว่าบุคคลคำว่าสวยว่างามก็จางไปจางไปนั่นแหละความมาจางไปได้แค่เรื่องจอมปลอมนั่นมันจางไป เพราะความกินแทรกเข้าถึงถึงมากถึงน้อยจางไปมากไปน้อยตามส่วนของหมันเมื่อถึงอย่างเต็มที่แล้วก็สลายไปหมดความจำปลอมนั้นไม่มีทานจริงให้ทานจึงสอนให้พิจรารณานี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยงานนี้เป็นงานใหญ่โตมากเพราะจิตใจติดอยู่อันนี้เป็นใหญ่ทีเดียวติดอย่างฝังลึกติด อันนี้แล้วก็ปฏิบติอันนั้นติดภายในของตัวเองแล้วก็ปฏิบติภายนอกถ้ารู้ภายในตัวเองแล้วก็รู้ภายนอกเพราะเป็นสภาพเหมือนๆกันในเรื่องอสุภะอสุขอสุพังปฏิกูลโสโครกอันนี้จังความแปรสภาพอนัตตาความไร้สาระที่ว่าเป็นเราเป็นของเราไม่มีเป็นสภาพเหมือนกันหมดเมื่อสติปัญญาได้คุยเคี่ยวขุดค้นกลับไปกลับมา คิดแปลงเปลี่ยนแปลงตามอุบายของสถิ์ปัญญาที่ควรจะคิดได้ในแง่ไหนจนรู้แจ้งเห็นชัดในสิ่งเหล่านี้แล้วความจำปลอมที่เคยเจ็ดสรรบัญยอและเคยฝังใจมาเป็นเวลานานนั้นจะถอดถอนตัวเองออกโดยไม่ต้องสงสัยเพราะอำนาจของสถิ์ปัญญายัางเข้าถึงตรงไหนทําลายความจำปลอมตรงนั้นออกหมดไปหมดไปจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงในส่วนนี้ คำว่าเวทนาความสุขความทุกข์มีได้ทั้งร่างกายได้จิตใจการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์ทางร่างกายความโกรธกะวยไม่อยากให้เป็นและอยากให้หายดิ้นรนภายในจิต ใ, ใ, ใ จ, จนั้นเป็นความทุกข์ทางใจโดยอาศัยกายวิกลวิการหรือกลายเป็นโรคภัยเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วใจก็มาหลงในตรงนี้ที่ตรงนี้ แล้วก็อป่วยทุกข์เข้าไปสู่ตนเพราะความสำคัญมั่นหมายและความต้องการอยากให้หายเมื่อไม่หายย่านใจหวังหรือไม่หายทันใจก็เป็นทุกข์นั่นเป็นเวทนาทางใจผู้ปฏิบัติในเรื่องกายวิภาคจะต้องซึมซาบเข้าสู่เวทนาซึ่งเกี่ยวกับการนี้โดยไม่ต้องสงสัย แยกแยกกันออกโดยหลักธรรมชาติของสติปัญญาในขณะนั้นแหละเพราะอยู่ด้วยกันส่วนกิตเวทนานั่นเป็นส่วนละเอียดเข้าไปอีกมีเป็นขั้นหนึ่งของการพิจรารณาเราอธิบายให้ฟังเพียงเป็นหัวข้อหัวข้อให้ท่านผู้ปฏิบัตินำไปคลี่คลายขยายออกด้วยสติปัญญาของตนเองเป็นอุบายของตนเอง นั่นแหละชื่อว่าเป็นสมบัติของตนครูบาอาจารย์หยิบยื่นให้นั้นเพียงเป็นต้นทุนหากเราได้นี้ไปเป็นหลักยึดแล้วขี่คาขยายไปให้เป็นผลประโยชน์เกิดขึ้นจากความแยบไพ่ของเรานั้นเป็นความชอบธรรมแท้เราเป็นสมบัติของเราแท้ด้วยสัญญาความจําฟังที่ความจําความเข้มขัญต่างๆ ออกมาจากจิตแต่เป็นอาการของจิตถ้าจิตมีกิเลสก็เป็นเครื่องหลอกมาพร้อมเพราะกิเลสเป็นตัวหลอกคลักออกมาเป็นสัญญาก็หลอกเป็นสังขารก็หลอกนับทราบทางวิญญาณก็หลอกเพราะกิเลสเป็นตัวหลอกอยู่ภายในจิตใจจะให้จริงไม่ได้ต้องหลอกเสมอไปค้นชอวรากิเลสเป็นของปลอมต้องปลอมเสมอมีอยู่ภายในจิตก็ทาให้จิตปลอม จิตจริงเต็มส่วนไม่ได้สแสดงออกมาก็ต้องปล่อยเมื่อปัญญาจริงๆต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแยกให้เห็นตามอาการข้ามัสัญญาหมายไปใกล้ไปไกลหมายไปแล้วมันก็เป็นเงาของจิตถ้ามีอวิชชาเป็นตัวหนุนหมายไปไหนมันก็ดับเกไปขึ้นก็ดับเหมือนเงาของเราเนี่ยมันเกิดจากตัว แต่ก็ตื่นเงาตัวเองมีสัญญาก็เกิดจากจากแต่ก็ตื่นน้องตัวเองจนเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆวันหนึ่งคืนหนึ่งในแย่บทหนึ่งหนึ่งมีแต่เรื่องแต่ราวเต็มหัวใจก็พ่อเรื่องสัญญาเรื่องสังขาร น, นี่แหละมันวาดภาพขึ้นเหมือนเขาดูภาพยนตร์นั่นแหละเรื่องเก่าผ่านไปแล้วเรื่องใหม่ผ่านมาแล้วกลับเอาเรื่องเก่ามากุ้นมากคิดมาพินิพิจารณาด้วยความ เพื่อพลน ด, ดุงดึงด้วยความเสียอกเสียใจไม่ใช่เพื่อความถอดเพื่อความถอนไม่ใช่เพื่อความรู้แจ้งที่จริงในสิ่งเห น, นี้แต่เพื่อความหลงสนิทติดจมกับมันได้เรื่อยไปนี่เป็นอย่างนี้เพราะเรื่องมันอยู่กับสัญญากับสังขารความตรุงความสํคาคัญอดีตที่เคยผ่านแล้วได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสสัมพัน์กับสิ่งใดกี่ปีกี่เดือนกี่วันมันนำมา ปรุงได้อย่างสดสดร้อนๆอนเจ้าของไม่รู้สึกตัวไม่ได้คํานึงถึงว่าสิ่งเหล่านี้มันผ่านไปแล้วคิดมาทำมํำใหม่มันบูดมันเสียมันเน่าเฟะไปหมดแล้วเอามาอุ่นกินทำใหม่ไม่มีสติพอที่จะคิดได้อย่างนี้เลยกลายเป็นของสดสดร้อนๆ้อนขึ้นมาในขนาด น, นั้นแม้จะเรื่องนั้นจะผ่านไปสักกี่ปีกี่เดือนแล้วก็ตามเมื่อสัญญาสังขานไม่ปรุงขึ้นมาแล้วต้อง กายเป็นของเสดลอนลอนโกโหกได้ต่อหน้าต่อตานั่นแหละนี่จึงเรียกว่าสัญญาเป็นตัวสําคัญสังขารเป็นตัวสําคัญที่ทําให้เกิดเรื่องเกิดราวอยู่วันยังนนย่งขั้นคืนวันนั่ง่ําคืนอยู่ล่วงภายในา จ, จิตใจของเราของท่านทุกๆคนถ้าไม่ใช่ไม่เรามาใช้ปัญญาเข้าพพิณิพิจนาแล้วอย่างไรจะรู้มันไม่ได้ว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องโกหก เป็นเรื่องลมเรื่องแรงที่ออกมาจากจิตใจตัวเองแต่กลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาด้วยความเจตจำนงบัญญั้ิของตหวเองและความเชื่อของตัวเองถ้าตามหลักความจริงแล้วมันมีอะไรเพราะเรื่องที่ผ่านที่สัมผัสสัมพันธ์ไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วมันหายไปไหนก็ไม่ยู่ก็คือสังขารคือกันญาขางตัวเองนี่เองมันเป็นเรื่องขึ้นมาจากผู้นี้ต่างหาไม่ได้เป็นเรื่องขึ้นมาจากสิ่งนั้นสิ่งนั้นผ่านไปแล้วหายไปแล้วเรื่องอันแท้จริงที่จะทําให้รุ่มให้หลง มันเป็นขึ้นมาจากตัวเองปรุงขึ้นมาที่นี่ปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องหญิงนั้นชายนี้เรื่องราวอดีตอนาคตเรื่องอะไรก็ต่างเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องดีใจเสียใจเรื่องรื่นเริงบันเทิงเรื่องเศร้าโศกเสียใจมันปรุงขึ้นมาในขณะนั้นเป็นเรื่องสดๆร้อนๆขึ้นมาก็ตื่นมันอยู่อย่างนั้นนี่เรียกว่าความความหลงตามตามมันไม่มีวันอิ่มพอไม่รู้จักตืดนจาง ไม่ได้คำนึงว่านี้เป็นอดีตผ่านไปแล้วเท่านั้นปีเท่านี้เดือนไม่ได้สนใจมีจนกระติดจมไปกับเรื่องนี้ทั้งนั้นเรื่อนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดสัญญาเหล่านี้เมื่อกิเลสมันมีอยู่ภายในใจสัญญานี้ก็เป็นเครื่องมือของกิเลสและกลายเป็นกิเลสไปด้วยกันเพราะฉะนั้นปัญญาจึงต้องอย่างลงไปให้สาปอาการเหล่านี้ มันเกิดขึ้นมันดับดีเกิดขึ้นดับชั่วเกิดขึ้นดับเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเกิดขึ้นดับใจใจเป็นผู้ปรุงผู้แต่งขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นผู้หลงสติปัญญาเป็นผู้ตามต้อนเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยค่อควรดูชัดเจนแล้วมันเป็นเพียงเงาเท่านั้นรู้ได้อย่างชัดเจนมันปล่อยนั่นี่แหละถ้าเป็นปัญญาตื่นอะไรตื่นเงาเจ้าของเดินไปไหนเงาก็ติดตัวไปนั้นก็รู้อยู่ว่าเป็นเงาแล้วตื่นหาอะไรนี่ เรื่องปัญญาเมื่อทราบทันแล้วก็เหมือนเัิมกับเราเราไม่ได้ตื่นเงาเรานั่นแหละเราเดินไปไหนเงามันติดตัวเราไปเราก็ไม่ได้ตื่นมันเพรอทราบแล้วว่าเป็นเงานี่เมื่อสติปัญญามีกําลังพอตัวแล้วมันก็ทราบอาการของจิตเช่นสัญญาสังขารเป็นต้นว่าเป็นเงาเหมือนกันไม่ตื่นแล้วปล่อยได้อย่างสะดวกสบายไม่ไปกังวลเช่นเดียวกับเราไม่ตไปกังวลกับเงาของเรานั่นแหละ วิญญาณคือความรับทราบก็เหมือนกันความกระเพื่อมของจิตในขณะที่สิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสเช่นรูปสัมผัสตารู้แยบเสียงสัมผัสหูได้ยินรู้ยับยับยับยับปลายตาปตามเรื่องแห่งความสัมผัสสั้นยาวมากน้อยพออาการที่มาสัมผัสนั้นดับไปความรู้นี้ก็ดับไปพร้อมๆกันแต่อารมณ์ที่นํามาคุ่นคิดนั่นสิมันไม่ดับมัน ซม อ, อยู่ภายในจิตใจเพราะกิเลสมันไม่ดับมันมีนอยู่ภายในจถึงต้องได้แยกได้แยกองไปนับตั้งแต่ขั้นกายที่ได้อธิบายมาแล้วนี้เมื่อรู้ชัดตามเป็นจริงแล้วเะ่นนั้นมันก็ปล่อยเรื่องอุปทานความถือกายไม่ต้องบอกอขอให้ปัญญาได้อย่างทราบโดยสมตลอดทั่วถึงแล้วเถิดอุปทานเป็นผลของความหลงต่างหาืกเมื่อความรู้ปรากฏชัดเจนด้วย ปัญญาของตนแล้วความยี่มั่นถือมั่นก็ปล่อยก็ถอนตัวเข้ามาจะไปยึดปัญญาอะไรเหมือนกับว่าตื่นเงาน่ะเมื่อรู้แล้วจะไปตื่นอะไรเงาเ น, นี่ยเข้ามาพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็อธิบายเรียงเรียงกันไปอย่างนั้นแหละในขณะที่พิจารณาเราไม่ได้เรียงนะถ้าเจะพิจารณาว่ารูปแล้วจะไปพิจารณเวทนาจีนพิจารณาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั้นผิดทั้งเพอไปเรียงลําดับลําดามันกลายเป็นปริยัติไปเสีย การพิจาจรณาจึงไม่ได้คำนึงคำนวณไม่ว่าอันใดจะมาก่อนมาหลังมันเหมาะสมกับการเวลาหรือสถานการณ์ในเวลานั้นอาการใดก็ตามพิจารณาทันทีแล้วมันจะวิ่งถึงกันหมดเพราะอาการตั้งห้านี้อยู่ด้วยกันมันไม่เรียงลายไปไหนแล้ววลาี่เลดเกิดขึ้นราคะโกดีโทสะโกดีโมหะโกดีตั้งที่เก่ามานี้มันเรียงรายกันไป อันนั้นเกิดซะก่อนอันนี้จึงเกิดทีหลังอันนั้นจึงเกิดตามกันมามันเป็นกิเลสด้วยการทั้งราคะทั้งโทสะทั้งโมหะความรักความชางังความเกลียดความโกรธเป็นกลียดทั้งนั้นเกิดได้ทุกขณะทุกวเวลามือหลาโดยไม่เลือกว่าเกิดก่อนหรือหลังซึ่งกันและกันเลยมันเป็นกิเลสด้วยกันทั้งนั้นแล้วมันผูกมัดปีดขันจิตใจของเราได้ด้วยกันการที่นิติจารณาแกที่เดสประเภทต่างๆจึงไม่จำเป็นจะต้องไปเรียงขันห้าดังที่อธิบายมาให้ฟังนี้ ไม่ใช่เป็นความไม่ใช่ถูกมันเป็นทางที่ถูกมันเหมาะสมเมื่อไหร่มันอยู่ด้วยกันเอาแยกแยกพิจารณาในขณะที่วิจนาการเวทนาคือทุกเวทนาเกิดขึ้นแยกดูทุกเวทนาแยกดูกายมันเป็นอันเดียวกันไหมและแยกดูใจทั้งกายทั้งเวทนาสุขทุกเฉยเฉยทั้งใจมันเป็นอันเดียวกันไหมยแยกดูให้แยกตรงไหนจิตจอลงไปสติจอลงไปปัญญาคอยสอดแทรกดูตลอดลจนกระทั่งรู้อย่าง ได้อย่างชัดเจนว่ากายมันก็เป็นกายเฉยๆตั้งแต่ทุกข์จะไม่เกิดน่ะเอนทุกข์ก็เพิ่งเกิดขึ้นมาในขณะนี้มันจะเป็นอันเดียวกันได้ไงถ้าเป็นอันเดียวกันแล้วทุกข์ดับไปกายต้องดับไปที่ถ้าว่ามันกายกับทุกข์เป็นอันเดียวกันกายเกิดมาตั้งแต่มันเกิดทุกประเภทนี้ทำไมถึงมาเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้แล้วเกิดแล้วก็จะดับไปในไม่ช้านี้กายก็ไม่ดับไปด้วยทําไมเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอันเดียวกันนี่มันไม่ใช่อันเดียวกันนั่นแหล กายก็สักแต่ว่ากายเป็นความจริงอันหนึ่งของกายเวทนาสุขทุกข์เฉยก็เป็นอาการหนึ่งของมันเป็นความจริงของมันมันไม่ใช่อันเดียวกันจิตจะเป็นแต่เพียงผู้รับทราบเท่านั้นทุกเกิดขึ้นมันก็เกิดอย่างเกิดขึ้นจากจิตมันก็ไม่ใช่จิตเวลาทุกดับไปจิตก็ไม่ดับนี่ทุกยังไม่เกิดจิตก็รู้อยู่ท่านเวลาทุกเกิดจิตก็รู้อยู่ ทุกดับไปจิตไม่ได้ดับไปด้วยถ้าเป็นอันเดียวกันมันต้องดับไปด้วยการมันเป็นอาการอันหนึ่งเท่า น, นั้นนี่แหละที่เรียวกว่าเวทนาเวลาเราจะพิจารณาแยกแยกจนกระทั่งรู้ชัดตามความจริงทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตต่างอันต่างจริงแล้วอยู่ไม่กระทบกระเทอือนกันนี่จึงเรียกว่ารู้สัจธรรมรู้อย่างนี้คือจริงอย่างนี้จริงประจักษ์ใจถึงกับ อุทานขึ้นมาโอ้โหอย่างนี้เหลยนะว่าสัจธรรมเป็นของจริงเกงอย่างนี้เหรอจริงอย่างนี้เหรอนั่นคือมันเห็นประจักษ์หาที่ค้านไม่ได้หาที่แย้งไม่ได้เพราะต่างอันต่างจริงจริแต่ตัวหลงนะี่ยมันไปเหมาเอาหมดว่ากายก็เป็นเราเวทนาก็เป็นเราสุขทุกข์เฉยๆอะไรก็เป็นเราเรากลายเป็นเวทนาอะไรต่ออะไรยุ่งไปหมดทั้งนั่นแหละ มันนำมาค้าเข้ากันแล้วมาเผาตัวเองด้วยความรุ่มหลงตัวเองเมื่อเราแยกแยะดูอาการเหล่านี้ให้เห็นตามความจริงด้วยสติปัญญาโดยชอบธรรมแล้วหนึ่งทุกเวทนาที่เกิดขึ้นมากน้อยนั้นดับไปสองต่างอันต่า ง, างจริงแม้ไม่ดับก็ไม่กระเทือนกันเราทราบได้เป็นระยะระยะในการพิจารณาใจ้องในขันทั้งสี่เมื่อถึงขั้นละเอียดที่จิตกายปล่อยวางร่างกายแล้ว จะมีแต่อาการนี่หละมันเด่นอยู่สัญญากับสังขานี่เด่นมากในการพิจารณาตามแต่จริตน่าอย่ามายึดทีเดียวให้จับนั้นพินิดพิจารณาแล้วจะกระเทือนกันไปหมดเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนทดสอบกันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเพื่อความรู้จริงเห็นจริง ทำไมจะเห็นตองไปได้ตองเห็นจริงไม่เป็นอย่างอื่นและรู้ได้ชัดว่าอาการทั้งห้านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่จิตหนังมันรู้ได้ชัดรูปกายก็สักแต่ว่ารูปกายเป็นเราได้อย่างไรมันรู้ขนาดถึงว่าปล่อยได้แล้วไม่สงสยัย เวทนาสัญญาสังขารวิจารแต่และอาการนักการฟังแต่ว่าอาการนักการมันเป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับมันคงเส้นคงวาที่ไหนได้จิตเป็นสิ่งที่คงเส้นคงวาแม้จะมีกิเลสหุ้มห่ออยู่จนเม็ดตัวก็ตามมันก็คงเส้นคงวาขอางความเป็นจิตไม่มีคําว่าตายรู้อยู่ตลอดจิตนั้นรู้อยู่ตลอดจะถูกกิเลสบีบคั้นขนาดไหนก็รู้ปิดไม่อยู่นั่นคือตัวจิตนี้เป็นสิ่งที่เกิดที่ดับ อาการเหล่านี้อันนั้นไม่ได้เกิดได้ดาบเวลาพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังพลิกไปพลิกมาตลบหลายตลบทบทวนนี่การพูดนี้เราพูดย่นยอดขามายเฉยแต่การพิจนารณาห้าญะนะนะซ้ำๆจากๆเอาถือเอานี้เป็นงานเป็นงานเป็นชีวิตจิตใจของตัวเองของผู้ํำบำเพนจริงจนกระทั่งมันพอตัวเช่นเดียวกับเรารับฐ่าน นานหรือไม่นานไม่จาพัญขอให้พอกับความต้องการของธาตุเท่านั้นนั่นแหละที่นี่อิม่มอิ่มตัวการพิจารนาเมื่อพอกับความต้องการรู้แจ้งเห็นชัดในทุกสิ่งทุกอย่างหายสงสัยแล้วมันปล่อยวางของมันเองแล้วไม่ไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์นะว่าปล่อยนั้นก่อนปล่อยนี้หลังเราจะทราบได้ในภาคปฏิบัติอทันภาปัญญาอย่างพวกเหล่านี้นะทราบได้ว่าร่างกายนี้ปล่อยเป็นอันดับหนึ่ง ฉันจะสังขานหนึ่งอย่างไม่ทราบว่ามันมันปล่อยอันดับสองอันดับสามแต่ทราบได้ชัดว่าเหล่านี้มีตแต่อาการทั้งนั้นไม่ใช่จิตแต่ว่าจะปล่อยพร้อมกันมันก็ถูกนแต่ว่าปล่อยอะไรก่อนในหลังนี่พูดไม่ได้สําหรับผมเองผมก็พูดไม่ได้ทั้งทั้งที่ได้พิจารณาอย่างนี้ดังที่พูดมานี้แอบปล่อยอย่างนี้เหมือนกันไม่ใช่มาพูดเฉย ก็ไม่ทราบอะไรปล่อยอะไรหลังมันทราบได้ชัดเจนหนึ่งแต่ว่าเหล่านี้อาการทั้งนั้นรู้ได้อย่างชัดเจนแล้วปล่อยไม่ไม่หลงมันปูนง่ายรู้เท่ามันแยบขึ้นมาก็รู้มันแยบขึ้นมาดับไปก็รู้ว่าดับเกิดคำดับเกิดกับดับเป็นของคู่กันกันกบอาการเหล่านี้อาการทั้งขันนี้นี่ละการพิจารณาทางภาคปฏิบัติ ตามความจริงเป็นอย่างนี้อีนี้เมื่อรู้ชัดเจนลงไปแล้วทําไมจะไม่วงแคบเข้าไปลราแต่ก่อนกิเลสมันแผ่อํานาจไปทั่วขอบเขตจั ก, กรวาลเมแต่สายของกิเลสยาวเหยียดไปหมดครอบฟ้าดินแดนจนไม่ทราบว่าใกล้ว่าไกลขนาดไหนแต่ครั้งเวลาตีเข้ามาตีเข้ามาแล้วมันก็เข้ามาอย่างนี้ ปล่อยเข้ามาดังที่ว่าพอรู้เข้ามารู้เข้ามารู้ถึงไหนก็ต้องปล่อยเข้ามาถึงนั้นจนกระทั่งถึงวงขันห้าแล้วปล่อยรูปรขันก็ปล่อยด้วยความรู้เท่าทัานด้วยการพิจารณาสมเต็มรู้รอบขอบชิดเต็มที่แล้วทัญญาทั้งขานวิญญาณก็พิจารณาไม่ทราบว่าขี่ตลบทบทวนอยู่อย่างนั้นเอานั้นเป็นงานเกิดก็รู้ดับก็รู้ มันเอาเรื่องอะไรขึ้นมาปรุงมาแต่งดีชั่วอดีตอนาคตอย่างไรบ้างตามรู้ตามเห็นอยู่ตลอดนี่เรียกว่าการพิจารณาจนกระทั่งเป็นที่แน่ใจว่าเรานิดทั้งมวลมันเป็นอาการทั้งนั้นออกจากกิตทั้งนั้นแล้วมันมันออกมาจากกิตมันมีอะไรอยู่กับกิตมันถึงได้ออกมาอย่างนี้เรื่องราวเหล่านี้จึงทาให้หลงอยู่เสมอเมื่อสิ่งเหล่านี้ว่า มันเป็นเพียงเงาแล้วมันก็ปล่อยคอยดูคอยจับในขณะที่จิตมันปรุงจากนั้นก็ย้อนเข้าไปดูตัวจิตมันมีอะไรอยู่ตรงนี้มันถึงได้เกิดได้ดับทําให้หลงอยู่เรื่อยๆนั่นปัญญามันเป็นเหมือนไฟได้เชื้อเชื้อมีอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามเข้าไปลุกลามเข้าไปนี่เชื้องกิเลสมีอยู่ที่ไหนปัญญานั่นเป็นเหมือนไฟจะลุกลามเข้าไปลุกลามเข้าไปจนกระทั่งไหม้หมด อวิชาปัญญาสร้างฆาราที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบกายมาดั้งเดิมนั้นได้ถูกตปรธรรมมีปัญญาเป็นสาคัญเผาเอาเกลี้ยงไม่มีเหลือเลยเอาที่นี่กิดดับไปไหมถ้าสิ่อาการทั้งห้านี้เป็นเป็นเราแล้วกิเลสเป็นเราจริงๆแล้วกิเลสมันดับไปโดยซิ้นเชิงไม่มีเหลือมแม้ภายในจิตใ จ, จแท้ ซึ่งเป็นพลังของเสด็จมาแต่ก่อนมันดับไปหมดขาดทางทราไปหมดแล้วจิตมันดับไหม่หนานที่นี่อ๋อจริงอันนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าง น, างนี้มันก็รู้ได้ชาติที่นะที่นี่ความรู้อันนี้เป็นยังไงถ้าก่อนความรู้ประเภทนั้นเป็นอย่างนั้นความรู้ขั้นนั้นเป็นอย่างนั้นความรู้ขั้นนั้นเป็นอย่างนั้นมาถึงความรู้ขั้นอวิชชาเป็นอย่างนี้อ่ะนี่พออวิชชาแตกกระจายไปหมดด้วยอำนาจของปัญญาตะปะธรรมเผาลงไปแล้ว ความรู้ประเภทนี้เป็นอย่างไรนั่นความรู้ประเภทนี้เป็นความรู้ที่อัศจรรย์พูดไม่ถูกพูดไม่ได้เพราะไม่มีอะไรเหมือนในโลกทั้งสามนี้เนื่องจากโลกทั้งสามนี้เป็นสมมติทั้งมวลธรรมชาติที่ ร, รู้ด้วยความบริสุทธิ์ของตัวเองนั้นไม่ใช่สมมติจะมาพูดให้เป็นสมมุติให้เหมือนสมมุติเป็นไปมาได้แต่ปฏิเสธไม่ได้ในความรู้ในความบริสุทธิ์ ในความเด่นของตัวเองโดยลําพังไม่เจือปนกับสมมุติใดๆทั้งสิ้นนั่นดาบหมายอันนี้ดาบหมายนี่ที่ท่านว่าเรียนจบปริญาเอกเอโกธรรมโมทำแท่งเดียวจิตคือทรทมคือจิตเป็นอันเดียวกันอาการนกจิตอาการิกธรรมคือธรรมชาตินี้แหละนี่ปริญาเอกในข้างพุทธการท่านเรียนจบ ปัญยาเอกไม่ได้เหมือนพวกเราปรัญญาเอกเอกมีในตาข้างเดียวไม่เป็นท่าท่าลงในตาข้างหนึ่งบอดไปอีกแล้วเสร็จมันเลยเอกมันเป็นไร ม, มืดมิดปิดทวารอ้อานักปฏิบัติยอดให้ดีหลักฐานสถานที่หลักวิชา การดําเนินที่พระพุทธเจ้าทรงพาดําเนินมาและทรงสอนด้วยวิธีการใดให้ยึดหลักนี้ให้ดีให้เหนียวแน่นมั่นคงไอเรื่องความติดพันกับกิเลสกิเลสติดพันกับเรานั้นมันเคยเหนียวแน่นมั่นคงมาเป็นเวลานามแล้วควรจะจุดจางหรือควรจะชินชาต่อกันบ้างแล้วทำนี้ยังไม่เคยสัมผัสใจ ทำที่กล่าวเหล่านี้ยังไม่เคยสัมผัสใ จ, จวิธีการดําเนินอย่างนี้เรายังไม่เคยเราเพิ่งจะมาเคยในกะในขณะที่บวชเอาไปปฏิบัติเอาให้จริงให้จังให้เห็นความถึงจะเป็นอย่ังไะจะเสียดายกิเลสตัวใดไหมเอาลงและให้จิตในบริสุทธิ์ให้เต็มที่แล้วสิเราจะย้อนกลับมาเสียดายกิเลสตัวไหนมั่งเราจะเสียดายโลกธาตุนี่โลกไหนมั่งกามะโลกรูปะโลกอรูปะโลกสามโลก การมาพบรูปประพบอรูปประพบสมบัติทั้งหลายที่เกิดจึ้่ในโลกธานุนี้มีอะไรบ้างเราจะได้ย้อนมาเสียดายมันไหมเมื่อผ่านพ้นไปแล้วเอาสิลองดูสินักปฏิบัติถ้าทำไม่เป็นของวิเศษจะเหนือสิ่งเหล่านี้ไปได้อย่างไรแล้วมันจะย้อนขึ้นมาเสียดายหาประโยชน์อะไรความที่เราเสียดายเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดให้ทราบตรงนี้ ถ้าจริงให้จริงมีการปฏิบัติถ้าจริงต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นสราคารธรรมนี้สดสดร้อนร้อนตระหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าประธานอยู่ในปัจจุบั น, นอ่านบทใดบาทใดคาถาใดเหมือนพระพุทธเจ้าประธานโอวาทในขณะนั้นขณะนั้นไม่มีคำว่าอาดีตอนาคตเพราะเป็นความจริงล้น้วนความถูกต้องล้นล้วนในธรรมที่ แสดงไว้แล้วนั้นจะเป็นอดีตจะไกลที่ไหนกันสมัยไหนไหนกันเป็นความจริงต้องเป็นปัจจุบันเสมอผู้นําเมาผู้ปฏิบัติจะไม่มีข้อข้อใจสงสัยอันใดขอให้ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้มันจะกลับมาจะได้อะไรไม่เอาลองดูว่างนั้นนะคําว่าลองดูนี่พูดอย่างเฉยๆเอาให้เห็นจริงว่า ของวิเศษมีอยู่กับใจนี่ให้กิเลสมันเอาไปครองไว้ทาไมให้กิเลสไปเหยียบย่าทําลายเชี่ยวให้แหลกอยู่ตลอดเวลารับความทุกข์ความบากดีทาไ ม, มทำมีอยู่เครื่องทหารกิเลสมีอยู่เครื่องซักฟอกมีอยู่นาํามาใช้สิเราเป็นมนุษย์ทั้งคนด้วยเป็นพระทั้งองค์ด้วยทําไมจะไม่มีความสามารถเมื่อได้พระาว่าได้รับพระาว่าจากพระเจ้าแล้ว ่ารแสดงทางก็เห็นว่าสุ่มขวดหนุ่งรู้สึกเหนื่อย